เพื่อจะได้ยินได้ฟังอัดธรรมนำไปปฏิบัติตนให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์ตามแบบตามฉบับของพระของคารวาสญาดโยมมีแบบฉบับต่างกันเกี่ยวกับเรื่องเพศเพศของพระเป็นเพศที่สงบสงียวงามตา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 ซึ่งเป็นสมบัติการล้นค่าประจำชีวิตติตใจของตนตลอดไปไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกิริยามารยาิผิดพลาดไปด้วยความผิดความไม่ดีทั้งหลายอย่างนั้นไม่ดีต้องเป็นผู้มีความสังรวมระวังอยู่ตลอดเวลานี้คือพระภายในก็ให้มีสติสตัง์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 ผู้อยู่ในป่าเป็นปกติบำเป็นความภาคียาติอรัญวาสีผู้ที่อยู่ในแดนบ้านมีเป็นมีสองประเภทมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าของเราคันธาธุระวิปัสนาทุระพวกที่ร้อยกรองอัรรมีในเพื่อเป็นแบกบเป็นทบับบ ที่ผู้ศึกษาจะได้นําไปศึกษาแล้วเรียนแล้วปฏิบัติตามแบบแผนแบบแปลนแผนผังนั้นๆเรียกว่าคันธุระแปลว่าผู้ร้อยกรองทำมีินัยตํำรับตาําราเอาไว้เพื่อเป็นแบบเป็นฉบับให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตนได้ด้วยความสะดวกเพราะมีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเครื่องปฏิบัติ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 ทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาแล้วพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันปวดแล้วก็ทรงรงเชยส่ ง, ง, ส, งส่งเสริมให้ประอยู่ตามป่าตามเขาลุกขมูลล้มไม้อันเป็นจัฐานที่บิเวกประกอบความเพียรได้สะดวกสบายปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลาย การบำเพ็ญความภาคเพียรชำระสิ่งที่มัวหมองมืดตื้ออันเป็นภัยต่อจิตใจก็ชำระได้สะดวกสบายจิตใจก็มีความสว่างสวัยขึ้นมาและอย่างน้อยก็เริ่มสงบล่งเย็นขึ้นมาภายในตัวเองเพราะตามธรรมดาของใจจะหาความสงบไม่ได้ทั่วแดงโลกธาตุ จะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายสร้างขึ้นที่หัวใจแต่ละดวงละดวงด้วยกันหมดเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งเป็นเครื่องพาให้ดีให้ดีนท่านว่ากิเลสกิเลส น, นี่แหละนี่แหละเป็นโรงงานอันใหญ่หลวมของวัตจักวัตตะวนของสัตว์โลกท่านเริ่มต้นของกิเลสคืออะไร อันว่าอาวิชชาปัจจยาสร้างฆาลาสร้างฆาลาปัจจยาวิญญาณังนีต่อขแขนงไปเรื่อยๆจากอาวิชชาตัวเดียวนี้แหละที่ตกแต่งหรือบังคับบรรชาให้จิตใจดีดดิ้นชิดปรุงต่างๆตลอดถึงกายวาจาเคลื่อนไหวไปตามความคิดความปรุงของกิเลสนี้โดยทั่วกันนี่เป็นงานของกิเลส ของวัตจักรที่มียูในหัวใจของโลกตัวทั่วไปที น, นี้เวลาเราภาวนาเราระ ง, งับงานทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของทจเลเข้าสู่งานของธรรมคืออบรมจิตใจให้มีความสมงบร่มเย็นด้วยธรรมบทใดก็ตามได้ทั้งนั้นตาม แ, แต่ถูกจุิตนนิจใยของตนที่ชอบกับธรรมบทนั้นๆ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 ละ ง, งับสิ่งก่อควรทั้งหลายที่กิเลสสร้างขึ้นดังที่กล่าวผ่านเมื่อมาเมื่อสักครู่นี้งานของกิเลสละ ง, งับไปงานของธรรมก้าวขึ้นแทนที่กันด้วยการภาวนามีสติสตังอบรมจิตใจของตนจะเป็นธรรมบทได้ก็ตาม พุทโธก็ได้ทรรมโมสังโฆได้อนาปานสติได้หรือบริกรรมบทใดนอกจากนี้ไปได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ารรมลำมากากับใจเพื่อความสงบของใจแล้วบริกรรมเป็นคำคำอยู่ในนั้นมีสติเป็นเครื่องการรกับรักษายาเผลอ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 ถูกออกไปทะเลทะไหลออกนอกรูนอกทางกลายเป็นงานของเจเล็กอยู่ในถ้ากลางแห่งงานภาวนาของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้นี้เป็นไปได้ง่ายมากทีเดียวเีย <c> ง <oughs> <c oughs> ขอให้ฝากันตั้งสติให้ดี น, นี่เรียกว่างานสร้างธรรมสร้างความสงบเย็นใจสร้างความสุขขึ้นที่ใจต้องสร้างด้วยธรรม สร้างความกังวนวุ่นวายสร้างฝื้นสร้างไฟเผาหัวใจนั้นสร้างด้วยกิเลสถึงไม่บอกกิเลสก็เป็นอัตโนมัติเป็นวัฏวนของใจด้วยอตัอตโนมัติของตนโดยไม่มีใครตั้งเป็นครูรู้จารีพมาสอนกิเลสให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมขึ้นไปเพื่อจะฉุดลาก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 มีแต่ความทุกข์อยู่ทุกแห่งทุกผลเพราะอำนาจของกิเลสสร้างฝืนสร้างไฟขึ้นมาในหัวใจของศาตว์โลกนั่นแหละบัด น, นี้เราเป็นผู้มาบวชในพุทธศาสนาหรืออย่างคารวาเป็นผู้สนใจในอักในธรรมก็ให้สร้างอักสร้างธรรมตามกาลเวลาอันควรแยกทางโลกแยกมาทางธรรมในคนคนเดียวใจดวงเดียวกันนั่นแหละ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 เรียกว่ารรมาและปัญญานำออกใช้เป็นการเป็นเวลาสำหรับสตินั้นเป็นพื้นฐานระมัดระวังจิตใจของเราที่จะถูกเจริญฉุดลากออกไปตกเหวตกหอบบ่อตามความเคยชินของมันให้ยับยั้งเอาไว้ด้วยบทธรรมเช่นคำบรีกรรมเฉพาะพระเราให้ยึดคำบรีกรรม หมดใดก็ได้มีสติกากับอย่างแน่น้นามั่นคงจิตใจเมื่อได้รับการรักษาด้วยสติแล้วจะไม่หมุนตีว้วติ้วไปตามเพล่เพราะคำว่าสังขาร น, นั้นเป็นได้สองประเภทสังขารเป็นตัวสมูทไทยที่เด็ดพาคิดพาปรุงนิสังสมกองทุกข์ขึ้นมาสังขารที่เป็นฝ่ายมาก ที่ทำภาชิตภาปรุงเช่นเราปรุงพุทธโธหรือธรรมโมสังโฆหรือรรมบทใดก็ตามนี่เรียกว่าสังขารฝ่ายธรรมสังขารฝ่ายนี้เป็นเครื่องระ ง, งับดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิลสร้างขึ้นมาด้วยความชิดตุงของมันทำใจของเราให้สงบลงด้วยสังขารฝ่ายธรรมเช่นพุทธโธพุทธโธ ที่ยึดสติติดตั้งไว้กับนั้นไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยแล้วจิตเราเขาจะมีความสงบเย็นนี่เรียกว่าทำทํางานบนหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละใจของเราจะมีความสงบเย็นสงบเย็นจากใจสงบเย็นแล้วจะมี ความสงา่างามความแน่นหนามัน่นคงความสุขก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, านภายในจิตใจของเราซึ่งแต่ก่อนมีแต่ความกังวลวุ่นวายเป็นฟืนเป็นไฟเผาตนพอได้ทำคือบทภาวนามาเป็นน้ำปรับไฟใจย่อมมีความสงบเย็นขึ้นมานี่ยพากันจำเอาไว้พระลูกพระหลานแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอบรมภาวนา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในสถานที่ต่างๆ ท, ท่าหรืออิยาบทต่างๆด้วยความภาคเพียรนี้เรียกว่างานของพระของเนรเราให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเป็นจิตจะลักษณะจริงๆสมบวรมาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานอย่าห่างเหินจากธรรมเหล่านี้ตั้งเจตนาไว้อย่างไรแต่เบื้องต้นให้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 ที่ฉุดากออกไปสู่ฟืนสู่ไฟเผาไม้ตนทั้งวันทั้งคืนจากความคิดปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลส ด, ด้วนๆวน่นี้เอาความคิดความปรุงร้านี้มาเป็นเรื่องของธรรมทำละความคิดปรุงของกิเลสออกไปเอาความคิดปรุงของธรรมเข้ามาแทนที่ในใจดวงเดียวกันมีสติติดแนบติดแนบแล้วใจจะค่อยสงบเย็นไปเรื่อย คำว่าใจนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชกว็แวว่าไม่มีเพศอืมร้อนได้เหมือนกันเย็นได้เหมือนกันอืมีความสุขได้มีความทุกข์ได้ตามแต่เราจะหมุนปริทางที่ผิดหรือที่ถูกหนักเบามากน้อยเพียงไรจิตนี้จะหมุนไปตามนั้นได้ทุกเพศทุกไหวเพราะฉะนั้นเราจึงควร ได้ละมัดระวังรักษาจิตใจของเราให้ในโปร่งวางลงสู่ความสงบเย็นวัง่งในวันคืนหนึ่งๆอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความพุ่งเฟอ้อเหอกะนองตลอดเวลาตายแล้วก็หาจุดที่หมายไม่ได้เลยมีแต่พาให้จมพาให้จมตายแล้วจมไปเลยเพราะกิเลสไม่พาใครขึ้นสวรรค์ชั้นผอม ไปมรรคผลนิพพานมีแต่พาลงทางต่ําทางต่ําบากรรมพาลงทางต่ําจนแดนนรกหนุนที่สุดของบาปของกรรมที่เกิดขึ้นที่จากวิเลศพาสรา์ ท, ท, าทีนี้เราฟื้นตัวของเราขึ้นมาด้วยการอบรมจริตใจให้มีความสงบพักงานของกิเลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงดูหน้านที่การงานอะไรก็พักไว้ แล้วทำอีกใจของเราให้สงบตามการอันควรจะพ่ออย่างยิ่งคือเวลาจะหลับจะนอนไม่ควรปล่อยวางโอกาสอันดีงามนั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยหลับเฉยๆบนหมอนคลอคก อ, อไม่เกิดประโยชน์อะไรขอให้หลับไปกับคำบดีกรรมเรานอนอยู่เราก็บดีกรรมได้เช่นพุโทโธพุธโทโธให้หลับกับพุโทโธเป็นต้น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 สติก็อยู่กับความสงบผู้ที่มีความสงบแล้วเขาเยื่มย่อมทราบหน้าที่ของตนเองสติจะติดแนบอยู่กับความสงบคือสมาธิแล้วก้กาวเข้าสู่ปัญญาพินิพิจารณาสกุลรากายสังขารทั้งหญิงทั้งชายทั้งศัตว์ทั้งบุคคลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวร เป็นสิ่งที่จะแตกจะสลายทำลายไปทุกสัตว์ทุกบุคคลทั่วหน้ากันหมดเวลามีชีวิตอยู่เราจะนำสังขารร่างกายนี้มาทำประโยชน์ก็ให้รีบทำเสียทังแต่เวลานี้ตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างมากก็นิมนต์พระไปปุสลาธรรมาท่านั้นเป็นประเพณีของชาวพูทเรา แล้วก็ไม่ได้ชิดอ่านหน้าอ่านหลังอะไรเลยมีเพียงตอนนั้นไม่ดีถ้าให้ชิดเอย่ตั้งแต่บัดนี้หาก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาทาหน้าที่การงานกิเลสเป็นภัยมากจัพข้อพระเราต้องถือว่าเป็นภัยมากทีเดียววรที่จะเห็นโทษของมันเป็นกรณีพิเศษจากประชาชนโทษทั่วไปเป็นอย่างมากทีเดียวผู้ที่เห็นโทษของกิเลส ด้วยการบวชของตนการชำระล้างสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสออกจากใจนี้ชื่อว่าผู้ตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นตลอดเวลา <c oughs> ยืนก็มีสตินั่งมีสตินอนมีสติเวียนตลอดตื่นขึ้นมาก็มีสติกํากับความภาคยานชำระกิเลสไปโดยลําดับแล้วนิเลสจะค่อยจางไปจางไปจิตสงบมยมเย็นเข้ามามากน้อยเพียงใด ความหิวโหยอยากคิดอยากปรุงต่างๆของใจย่อเบาเข้ามาเบาเข้ามาสุดท้ายเมื่อความสงบเต็มที่แล้วความคิดความปรุงกลายเป็นเรื่องลำคาญไปไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเพราะมันขวนใจผิดกับที่จิตเราไม่มีความสงบมิไดอยากคิดอยากปรุงตลอดเวลาไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้เนี่ยพอจิตมีความสงบเป็นเดือนอยู่เดือนพักแล้ว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 โลกทั้งโลกถึงได้ติดกันเราสำนักหนาติดมาตั้งกับตั้งกันภูเขาทั้งลูกม่ได้หนาแน่นยิ่งกว่าหนังบางๆกันที่มันหุ้มห่ออวัยวะของสัตว์ของบุคคลเอาไว้นี้บางนิดเดียวแต่หนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกซะอีกเพราะภูเขาโลกไม่ติดแต่หนันงบางๆนี้โลกติดเราก็ติดเขาก็ติดมี่ท่านติสอนให้เขามาพิจารณาดูด้วยปัญญา มันเป็นยังไงนังนี่ไปยังไงจากนางเขาไปเนื้อจากเนื้อเขาไปเอ็นกระดูกกับไตไส้หุ่งของเขาของเราของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายมีเหมือนกันหมดพิจารณาเมื่อมันเข้าใจแล้วมันจะปล่อยวางเหมือนกันหมดไม่ว่าของไข่จะปล่อยได้ทั้งนั้นแตงนั้นท่านเรียกว่าปัญญานี่แหละสมาธิถ้ามันมีความแน่นหนา ม, มันคงพอแล้วไม่อยากออกทางด้านปัญญา ถือเป็นความรำคาญเพราะฉะนั้นได้โอกาสอันดีผู้มีสมาธิเป็นเรือนอยู่แล้วจึงคูวัอย่างยิ่งที่จะออกทางด้านปัญญาแม้จะรำคาญไม่อยากออกอยู่ด้วยความสงบในสมาธิดีกว่าก็ตามให้ฝืนใจออกไปพิณิพิญ น, นานแยกธาตุแยกขันธ์ดังที่กล่าวมาแล้วมีปัญญาเมื่อพริรณานไปจะมีทางก้าวเดินกว้างขวางและละเอียดละอ ออกไปเรื่อยๆทีนี่ก็จะชวนปัญญาให้ก้าวเดินไม่หยุดไม่ถอยนี่เรียกว่างานของพระให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญานี้เวลาได้ก้าวออกไปแล้วจะมีความดูดเดือมีความลื่นล่องมีความอยากรู้อยากเห็นมีความอยากถอนอยากถอนกิเลสไปในตัวในตัว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 ที่นี่เวลาเหนื่อยเมือเ่อยละก็ย้อนกลับมาพิจารณาการเข้ามาพักในสมาธินั้นไม่ได้มีการถอนกิเลสประเภทใดก็ตามแต่เป็นการพักเอากำลังเพื่อจะไปถอนกิเลสด้วยปัญญาหากปัญญาไม่มีกำลังหนุนก็ไม่มีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวการาท่ากิเลสคลองเป็นความไม่แน่นอนเหมือนกันแต่เมื่อจิตได้พัก ทางสมาธิออกไปแล้วมีความแน่นอนแน่นอนเป็นลาดับนี่การดำเนินวิจนาทางด้านสติปัญญาเรียกว่าความภาคยานของพระเราอย่าได้เอาเรื่องของโลกของสารเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งไม่ใช่ของนี้ศาสนากลายจะมีตั้งแต่เรื่องวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเวล้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 คือการประกอบความพากเ ย, กยียรติทำรักกิเลสมากต่อมากแล้วสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลแต่โสดาสกิธานาคาหารขึ้นจนกระทั่งถึงนิพพานมามากต่อมากแล้วด้วยการบาเพ็ญงานที่ถูกตามตามทางของศาสดาที่ประธานสอนไว้ด้วยจิตตภวนานี่เรียกว่างานนามธรรมาคือจิตตภวนา อนนี้เวลานานเข้าก็ลบเดือนกันไปลบเดือนกันไปที่เหลือหนาแน่งขึ้นมาหนาแน่งขึ้นมาจะฐานที่ที่อาศัยท่านแบบาการบาเพ็ญเพียรภาวนาซึ่งไม่เป็นของยากของลาบากอะไรเลยในครั้งภรูตากเข้าอยู่ลมไม้ชายเขาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าลุกขมลเซนาสนันี่เป็นต้นนะเมื่อบรรพชาสมบูแล้วให้เข้า ท่านทั้งหลายเข้าไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาเพื่อประกอบความพ่างเพียรด้วยความสะดวกสบายหรือจงทําความอุตสาห์พยายามทําอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดอย่างนี้ก็ตามแต่จิตมันก็ไม่ได้หมุนไปทางโน้นแล้วมันกลับหมุนเข้ามาในบ้านในเรือนในสิ่งก่อสร้างทั้งหลายแล้วสร้างที่อยู่ท่านสร้างแต่ก่อนลุกขมูลนะคือล้มไม้ก็อยู่ได้ ตน้ตนไม้ภูเขาในธรรมเนื้อผาอยู่ได้แต่ขนนันน้นนานมานานมาพระเรามันหนาแน่นด้วยกิเลสความพุ่งเฟอ้อเหมีความดีความดิ้นไปตามกิเลสเนยอยากเอาเกิเลสเข้ามาประดับตัวเอาซ่วมเอาฐานคือกิเลสมาประดับตัวสร้างวัดลยเป็นการหรูหราขึ้นไปทางกิเลสส่วนธรรมเลยแห้งผากแห้งผากไปหมดไป พอเริ่มว่าสร้างวัดที่ไหนแล้วขึ้นนะนะศาลาก็ขึ้นกุฏิก็ขึ้นกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับมีแต่ความรูแลาผู้ฝ่ามิน้ำซ้ำยังหาต้นไม้มาประดับประดาตกแต่งให้สวยงามอะไรลายคงลายคามเต็มไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสล้ลวนๆไม่ใช่หน้าที่ของพระจะเข้าไปสนใจในสิ่งนี้เลยแต่มันก็เต็มอยู่ในวัดในวาและเวลานี้เพราะกิเลสมันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เห็นไหม มันกลายมาเป็นอย่างนี้แหละเวลานะที่นี่ไปที่ไหนเรามีแต่ความรู้หลาฟู่ฝ่าด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อความสวยงามโกหรูเพื่อความสะดวกสบายงามหูงามตาของกิเลสเพื่อความเกรงขามเกรงขามไปเรื่องทิ่เลสไปเจียวส่วนธรรมแห้งผาหาที่จะน้ากลา่าวว่าไม่มีไปที่ไหนมีแต่ว่าถูกขวางธรรมไปหมด ทำเลย อ, ออกไปไหนไม่ได้ที่พอจะกล่าวอย่าประลบถึงเรื่องอัดเรื่องทําการชำระทิ่เลียดที่เลียดนั้นน่ะการชําระทิ่เลียดที่เลียกลับเข้ามาโจมตีทำอืมหานว่าหาว่าการบําเพ็ญคุณงามความดีนี่เป็นความคลึ้ความล้าสมัยอืมแล้วการทําบุญแล้วก็ดูถูกหยาดยามสําหรับผู้ภาวนาไปเสียนี่เห็นไหมที่เลียมันพลิกตัวของมันขึ้นมา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 ตั้งตั้งแต่ต้นเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันแสดงยังไงมันแสดงดังที่พูดมาแล้วนี้หรือไม่ให้พิจารณาสิภายที่ไหนมันไม่ได้มีนะทางจงกรมในวัดหนึ่งๆไปหาดูซิหนะทางจงกรมเพื่อเดินจงกรมกลับไปกลับมาทำลาภกิเลสทสานที่นั่งภาวนาพักผ่อนย่อนใจตามล่มไม้ชายคาที่ไหนเพื่อความสะดวกสงบอารมณ์นี้ไม่ค่อยมี มันมีตั้งแต่วัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นเครื่องลืล่นเลงบันเทิงเป็นบ้าไปตามกิเลสกันเสียทั้งหมดนี่นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเวลานี้นะาศาสนาเสื่อมอย่างนี้เองแต่วัตถุของาศาสนาอันเป็นเรื่องของกิเลสนั่งเจริญที่เดียวจนมองห า, าศาสนาไม่มีกลายเป็นกิเลสเป็นเจ้าของาศาสนาไปเสียหมดนี่แหล ะ, ะวัดนั่งจเจริญวันนี้จเจริญมันมีแต่หินแต่ปูนแต่หินแต่ทราย แต่เลวแต่หลานนั้นใจที่จะเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาวิมุตติผุดพ้นด้วยความภาคเทียนตามทางตาัสดานี้มันไม่มีแล้วนะเราอยากจะว่าไม่มีเพราะไม่ทําถ้าทําต้องมีทําเป็นอากาลิโกคือเราต้องการความดีเมื่อไหร่ทำจะแสดงขึ้นจากการบําเพ็ญธรรมของเราที่เลกก็เป็นอากาลิโกเราหมุนไปทางที่เลว กิเลสที่ความเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งเป็นผลของมันจะแสดงขึ้นในหัวใจของผู้บิงตามกิเลสทันทีทันใดท่านจึงเรียกว่ากิเลสก็เป็นอากาลิโกไม่มีสถานที่การเวล่ําทําเมื่อไหรเป็นกิเลสเมื่อนั้นทำก็เป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวล่ําอะไรที่จะมากี่ขวางได้บําเพ็นทำเป็นธทำได้ทั้งนั้นนี่แหละแต่เวลานี้กิเลมันมีอํานาจมาก มันมีแต่กิเลสเป็นกาลิโกหมดทําเลยกาลิโกให้กิเลสมาอนุญาตให้ทำทิ้งจะภาวนาจนกระทั่งตายก็ตายทิ้งเอาเปล่าเรื่องยึดกิเลสจะอนุญาตให้พาเราไปภาวนาพ้นทุกจากเงื่อมือของมันเป็นไม่มีของอ้างเก่งขอให้พระลูกพาหลานนายไป ป, ปฏิบัติหลวงตานี่แก่มามากแล้วเช่นอย่างลูกหลานทั้งหลายมานี่ดูสิอายุมีประมาณเท่าไหร่ นี่หลวงตาบวชมานี้ได้เจ็ดสิบปีนี่แล้วมาเหล่านี้หนูจะเกิดที่หลังหลวงตาบวชก็มีมากมาทีเดียวนะมีหลวงตาได้ผ่านโรค ก, ก็ผ่านมาพอสมควรหลักธรรมหลักพิไนก็ผ่านมาตั้งแต่วันบวชการประพฤติปฏิบัติทั้งทางด้านปริยัติทั้งทางด้านปฏิบัติหลวงตาเข้านอกออกในได้อย่างอาถรรพูดไม่มีขัดมีข้องเพราะผ่านมาหมด การทางริยัติไม่ว่าวัดนอกวัดไหนวัดไหนวัดลาดบรรหลวงเข้าหมดสังคมหมดรู้เรื่องรู้ราหมดแล้วทางภาคปฏิบัติก็เหมือนกันเลื่อนมาเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยิงเรียกว่ารัตตยุรัตัญยูของสามัญชนเราธรรมดาป็นผู้ได้ผ่านลาตรีมานานพอสมควรถึงขนาดที่ว่ามาบวชได้อายุเจ็ดสิบปีผ่านทั้งทำทั้งวินัย ผ่านทั้งทางโลกทงางมโนสารมาจึงพอที่จะได้สิ่งต่างๆที่ผ่านมานั้นมาสอนลูกพราลูกพาหลานให้พากันไปพินิจพินาปฏิบัติตามได้บ้างก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเองสนหลวงตานี่ก็เก่าแก่มามากแล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันห น, น, นึ่งเท่านั้น่ะไม่ได้หวังอะไรเลยคือมันหมดซะจริงจริงอันนี้ก็ดีนะอเรื่องหวังนี่มันเต็มหัวใจของทุกคนทุกคน สัตว์โลกมีความหวังเต็มหัวใจด้วยกันแต่ น, นี่มันไม่มีก็บอกไม่มีแต่ก่อนมั้นก็มีเหมือนกันกันกบโลกนั่นแหละโลกเขาหวังอย่างไรเราก็หวังอย่างนั้นจี่ขแขนงเราก็หวังจี่ขแขนงเช่นเดียวกันไม่ยอมแพ้ ง, ไ ง, ไง่ายง่ายแต่คันปฏิบัติมาปฏิบัติมาตามอัตธรรมมินไนนี้ซึ่งเป็นเครื่องแก้ทุกเราก็พยายามแก้มาเป็นลาดับลาดา ตั้งแต่วันบวชศึกษาแล้าเรียนก็เพื่อออกปฏิบัติกรรมจัดยิ่เลเมื่อเรียนมาตามได้ตามความมุ่งหมายแล้วก็ออกปฏิบัติกรรมจัดยิเเล่โดยตรงโดยตรงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงป่านนี้ก็เป็นเวลารวมแล้วเจ็ดสิบปีปีที่บวชเจ็ดสิบปีกับหกเดือนหกวันที่สองพฤษภาเป็นวันบวชพฤษภามิถุนากรเกดา พุษภามิถุนากรละกันละนี่เจดสิปีครับสองเดือนแล้วนะสองเดือนกว่าที่บวชมาได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนในคุณงามความดีทั้งหลายไม่บกพ้องไม่ตำหนิเรื่องของธรรมของวินัยถือเป็นหัวใจตลอดเวลาสำหรับพวินัยนั้นเคลื่อนไม่ได้เลยส่วนธรรมนั้นเป็นของละเอียดแล้วยอมรับว่าผิด แต่ยังแก้ไม่ได้ก็ยอมรับว่าผิดอยู่หากพยายามจะแก้ตามนั้นแตานั้นเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้แก้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างแก้มาจนกระทั่งหมดอะไรจะแก้ในหัวใจนี้ทิเดตตัวไหนที่เคยพัวพันผูกมัดจิตใจเอาไฟเผาหัวใจเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่กลับไหนการใดเมื่อมาบวชได้ได้ออกปฏิบัติขึ้นเมทีฟาด ก, กันกับทิเลต นั่นตลอดมาแล้วแจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่จนกระทั่งกิเลสที่มันเคยมัดหัวใจเผาหัวใจขาดสะบั้นลงไปจากใจหมดแล้วไม่มีอะไรเชนเช่นอย่างหวังมัดผนิพพานแต่ก่อนหวงังเต็มหัวใจจะเป็นจะตายความหวงังไม่เคยลดละเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายด้วยความหวงังมัดผลนิพพานเป็นอันดับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งต่อมาแต่ทุกเมื่อเข้า บำเพ็ญมานานนานปฏิบัตมานานเหมือนกับเรารับทานรับทานไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่เริ่มแรกที่หิวโหยเต็มประมาณรับทานไม่อยู่ต่อไปเขาก็อิ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาเมื่อรับทานอิ่มแล้วความหวังจะรับทานต่อไปอีกในขณะที่อิ่มนั้นก็หมดไปเลยแต่การรับทานนี้มันอิ่มในเวลาไม่อิ่มและหิวโหยเป็นเวลาไปเป็นมากเป็นตอน ส่วนความหวังหรือไม่หวังหมดทุกสิ่งทุกอย่างภาในหัวใจเพราะกิเลสซึ่งสร้างความหวังไม่มีประมาณพาสารโลกให้จมกันตรงนี้ได้ขาดกับบ้นลงไปจากใจแล้วความหวังแก่กิเลสก็ไม่มีความหวังที่จะไปมรรผลนิพพานเพื่อสิ้นทุกเมื่อกิจนี้ได้ดุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่มีทุกยิ่งไม่หวัง ทั้งเรื่องเกิเลสถ้าเลือกทั้งเรื่องธรรมจิตใจนี่สมบูรณ์เต็มที่มารล้วนท่านทั้งหลายให้ได้ฟั ง, งะนะพาลูกพาล้านนี่ผลเน่ยการปฏิบัติมาหลวงตานี้ออกปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษาเจเริ่มสอบมหาปฏิยังได้ตามคําสัจจะอธิษฐานว่าสอบมหาแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อความเป็นพรารหันไปนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นก็ฟัดกันเต็มเหนี่ยวตั้งแต่บัด น, นั้นน่าเป็นเวลาเก้าปี ตังพันศาเจ็ดถึงพันศาสิบหกพันศาสิบหกก็จำได้วันที่เดือนปีไม่สงสัยวันเดือนพฤษภาวันที่สิบห้าพฤษภาสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเวลาห้าทุ่มอยู่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดี จังหวัดสกนลนครนั่นเป็นเวลาที่ความหวังทั้งหลายได้สิ้นสุดยุติลงโดยเด็ดขาดไม่มีอดไเหลือกิเลสพังทลายลงไปจากใจนิพพานที่เราหวังตลอดเวลาก็จ้าขึ้นมาที่ใจทั้งสองอย่างนี้สมบูรณ์แบบกิเลสก็ขาดสะบั้นไปอย่างไม่มีอะไรเหลือหรอหายสงสัยแล้วทำมาที่วัน เมืองพอนี้ก็ะจ้าขึ้นมาภายในจิตใจจึงหมดทุกอย่างอิ่มแล้วพอแล้วตั้งแต่ขนาดนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลาถือมันจะเป็นห้าิบี่ปีแล้วมั้งให้คิดเอาเองก็แล้วกันนะก็บอกแล้วว่าวันที่ส5บห้าพฤษภา2493เป็นวันฟาด ก, กับปิเลส ข, ขาดสะ บ, บั้นลงหลังบัรดรอยทรมมจะดีครองธรรมธาตุธรรมเลิศเลอขึ้นในเวลานั้น จนประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นเวลาห้าทุ่มพอดีงานตั้งแต่บันนั้นมาไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดมากวนใจอืเหมือนหลังที่เคยเป็นมาแต่ก่อนแล้วความม่าอยากไปมักผลนิพพานความอยากนั้นก็หายไปหมดเช่นเดียวกันเรารับทานอิ่มแล้วอยากหาอะไรอีกหลันแต่การรับทานเวลา อิ่มแล้มันก็ไม่อยากจะต่อไปมันก็บกฟ้องแต่ส่วนว่าพอในทางจิตใจนี่พออาจพอทำนี้ไม่มีคำว่าบกพ้องเลยพอเรียกว่าพออย่างเลิอเลยคําว่าพอนี้ก็เป็นคําที่พอพ้นวิสัยของสมมุิไปหมดแล้วเรียกว่านอกสมมุติพอนี่แหละพอในนิพานกับพอของโลกวัตจักรนี่ต่างกันโลกวัตถุจักงนี้อันนี้พอเวลานี้อันนั้นไม่พอเวลานั้น นี่เป็นอย่างนั้นแต่คําว่าพอในนิพานนี่ก็คือกิเลสนั้นแหละเป็นตัวหี้โหยพอตัวหิ้โหยคือกิเลสขาดสะบาดลงไปจากใจเท่านั้นความพอผึงขึ้นมาในเวลานั้นเลยไม่มีอะไรที่จะได้ซ่อมแซมหรือดัดแปลงหรือว่าจะเพิ่มเขาอีกหรือลดลงสมบูรณ์แบบเต็มที่คือความพอในจิตใจนี่ผลแห่งการปฏิบัติมา ตั้งแต่เริ่มแรกดังที่กล่าวมานั้นขอให้พระลูกพระหลานนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานผู้เจ้าสอนไว้เป็นงไงเป็นอาการดีโกหรือเป็นอะไรพิจารณาดีมรรคผลนิพพานพระองค์ส อ, อนไว้ว่าสวัสดิธรรมจัดไว้ชอบแล้วจัดไว้ในธรรมทุกบททุกบาทจัดไว้เพื่อมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบตัติตามนั้นก็เป็นไปตามนั้นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน พระหรหักี่พระองค์ท่านลายที่ในบรรลุธรรมตามเสด็จพระพุทธ เ, เจ้าถึงมักถึงพระนิพพานมีจํานวนเท่าไหร่พิจารณา น, นี่ละอากาลิโกของธรรมถ้ามีผู้ปฏิบัติอยู่เป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลเวลาใดจะมาทําลายได้นอกจากตัวเองเป็นอุบรสกต่อตัวเองเท่านั้นมันไม่ทำํำตายทิ้งกว่าก็ไม่เกิดประโยชต์อะไรที่นี่กิเลสก็เป็นอากาลิโก ทำให้เกิดกิเรศเมื่อไรเกิดทันทีทันใดในหัวใจดวงเดียวกันนั้นจงพากันมรมัดระวังสังรวมเรื่องกิเรศออยามันเคยเป็นภัยต่อเรามามากต่อมากแล้วอย่าไปสินชาหน้าด้านต่อมันให้มีความสนิทติดจมกับอัดกับรรม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 หลังที่ท่านแสดงไปแล้วในเวลาพระนรนท์ไปทูลนราธนาท่านให้ทรงพระชนอยู่เป็นเวลานา น, านพระองค์ทรงถ้าภาษ า, าของเราเรียกว่าดุพระอานอนท์อานอนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกธรรมินัยเราสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรบกร้องเลยร่างกายของเราก็ยังเหลือแต่ร่างกะระดูกเท่านั้นมันขอจะแตกจะดับไปเมื่อไรมันก็ไปของมันอันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรอืม แล้วเธอทั้งหลายพ่เธอจะมาหวังอะไรกับร่างกายที่มีแต่ล่างกระดูกนี่นี่จากนั้นก็อาโน์พระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละตาเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตะถาคตเมื่อเราตายไปแล้วเมือ่อเป็นเช่นนั้นก็แล้วก็ยอ้อนก็รับสั่งซ้ำเขาอีกว่าอาโน์เมื่อมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมวินัยที่เราสอนมาแล้วโดยถูกต้องนี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอนทนคือติดแนบกันไปกับธรรมกับวินัยนี่แหละกับสวาธรรมนี่แหละอรหันต์จะไปไหนไปติดแนบกันไป <c oughs> จึงขอให้พากันมีมีเรอัตบามีวินัยมีธรรมติดแนบวินัยเป็นสำคัญมากอย่าล่วงเกินฝ่าฝืนเท่ากับ เราเทิดทูนศาสดาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยความสังรวมระหว่างตรงกับธรรมกับวินไหนนี้ละไปที่ไหนให้มีฮีโยตปะให้มีวินัยให้มีธรรมติดกับใจตัวเองก็ซึ่งเท่ากับาศาสดราติดกับหัวใจของเราตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนอยู่กับาศาสดาทั้งนั้นแต่ถ้าได้ห่างเหินหรือล่วงเกินหลักธรรมหลักเวลานี้แล้ว เอาพระพุทธจเจ้ามากี่พระองค์พระพุทธลูกมีกี่มือกี่แสนกี่ล้านมาตั้งไว้เต็มหน้าทับหัวเราจนตายก็ไม่มีศาตราคนนั้นไม่มีเพราะจิตใจหมดตุนหมดค่าบุญราคามืแต่โทษแต่กรรมเต็มหัวใจแล้วไม่เกิดประโยชน์จึงพาขอให้พากันคิดให้เอาศาตรามาติดแนบยาอะไร <c oughs> ถืออะไรว่าสําคัญยิ่งกว่าศาตราคือธรรมคือวิไนการสถานที่เวลา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 แล้วต่อไปก็ให้พากันไปตั้งใจบวชปฏิบัติศา ส, สนาเวลานี้กําลังเหลวแหลกไปมากแ้วนะดูท่านดูเราอย่าไปดูใครนะการบวชปฏิบับติของพระของเนรเราเวลานี้รู้สึกเหลวแหลกแบกแล้วแล้วยิ่งกลายลงไปความเลวไร้ที่น่าผู้จักบาปตาหน้าอิจฉาละใจบวชเัาไปแทนที่จะ ม, มาเสาะแจ้งหาอหาบหาธรรมมันกลับเป็นโรคเป็นสงสารไปหมดอืบวชมากเพื่อยศเพื่อลาศ ยศธารรดาศักด์เพื่อรากเพื่อยศเพื่อความได้ความมั่งความมีอำนาจต่าเป้าเถื่อนเถื่อนแบบกิเลสเป็นหมดแล้ว เ, เจรจะได้เสริญร่ำเจริด้วยเขานับถือลือน้าด้วยแบบกิเลสส่วมฐานเต็หมหัวอยู่นั่นใครจะไปใครจะไปกราบส่วมฐานมาพุทธเจ้าที่ว่าให้เอาความดีจัดทำจ่าววินยัยคือการปฏิบัติตัวต่วตางหาก น, นะยศถาบรรดาศักดิ์เมื่มีทำพอแล้ว จำเป็นเราจะต้องไปหายอดที่ไหนมายุ่งมาวุ่นวายแล้วก่อควรตัวเองแล้วก่อศาสตร์ก่อทาราศาสนาทารายชาติบ้านเมืองไปด้วยความปราธนาลามกอย่างนี้ของพระเราไม่สมควรอย่างยิ่งพระเราสิ่งที่สมควรต่อพระเราคือหลักธรรมหลักวินยัยมรรคผลนิพพานนี่เท่านั้นสมควรนอกนักน้ยกให้เป็นสมบัติของโลกเขาไปเรามาบวชเป็นพระแล้วมันเป็นคนละโลก ไม่ได้เป็นโลกเดียวโลกของพระโลกของโยมต่างกันเราให้ปฏิบัติหน้าที่การงานของพระด้วยความสังรวมระวังแล้วเราจะเป็นผู้ครองยศฐานบรรดาศักดิ์ในหลักธรรมชาติบนหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปหวังเอาอะไรแล้วเนื้อใครจะมาโยกยอก็อแล้วสรรเสริญก็แล้วดูถูกหย่าหยามก่็แล้วทำนี่เหนือหมดไปหวังกับอะไรสิ่งต่ตตาๆๆอย่างนั้นทาเป็น ในหัวใจเต็มหมดแล้วสบายไปหมดขอให้พาลูกพาลานนําไปประพฤตปฏิบัติน่ะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธากานมิ่งขอความสวัสดีหลงมีแกจตมันตาพารุปปารานประชาชนทั้งหลายที่มาในวันมงคลนี้ให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนทั่วหน้ากันความถุกก็จะพึงได้ด้วยกันทั่วหน้ากันเช่นเดียวกันอาลาพอ का wow. नाम